ขความเจริญในธรรมจะงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประิทธญาในวันนี้ผมพูดเรื่องพุทธวจน ต, ต่อไปนะครับเมื่อก่อนได้พูดถึงเรื่องท่านพัทธวคีสามสิบลูกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกที่เจริญคือมีฐานะทางเศรษฐกษิจดีสังคมดีการศึกษาดีนะ ก็อยู่ด้วยความสุขสบายสำเนิงสํารานแสวงหาความสุขทางกรรมมรุณเพลิดเพลิอนอยู่ได้กรรมมรุณอยู่แล้วก็มาถามหาผู้หญิงกับพระพุทธเจ้าผู้เจ้าก็ทรงโปรดให้ได้บรรลุมรุณเป็นพระญาบุคคลในที่หนึ่งท่านบอกว่าเป็นพระอนาคามีนะฮะแต่ว่าต่อมาก็บรรลุมรุณเป็นพระหันนะั่นแหละ จากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่อุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตท่านที่เคยไปอินเดียไปนมัสการสมงยยญนีสฐานในที่ต่างๆนั้นจะเห็นว่าอาสมของอุรุเวลากาสปาเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกับพุทธคยาที่พระเจ้าศัส ร, รูเท่าไรแต่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปโปรดก่อน ทำไมถึงต้องไปก็ เ, เรียกว่าขึ้นเหนือไปตั้งสองร้อยกว่ากิโลนะฮสองรอกว่ากิโลสมัยนี้มันมันไม่มากอะไรอะ่ะแต่สองรอกว่ากิโลสมัยก่อนเนี่ยมันเยอะจังกว่าจะเดินกันมาได้ไหมนะอ้ น, นั้นก็เป็นการแสดงถึงว่าคุณเจ้าทรงทำงานอย่างมีแผนมีระบบมาก เพ่อตั้งข้อสังเกตว่าคือทรงแสดงเรื่องยิงกองทัพนะฮะของทัพนะนี่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติคือหนึ่งเขาเรียกว่าฐานะกุสโลจะโหติคือฉลาดในชัยภูมิเขามีชัยภูมิม่เหนือกว่าข่ายตรงนั้นข้ามและดูเรปาตียิงได้ไกลอคณาเบทียิงได้ไหว มาโตกายะสัปดาเรตาทำลายคุ้มกับบางคาสือจะได้นะทำลายคุ้มกับางใหญ่ของคาสึอจะได้รือถ้าพูดในธรรมมาของสงครามคือเรียกว่าธรรมวิชัยหมายความว่าเป็นการชนะโดยธรรมเป็นกองทัพธรรมเป็นธรรมเสนากองทัพธรรมแล้วเนะี่ยเราจะเห็นว่าในสมัยนั้นเมืองพาราณสีเนี่ย มันเป็นประการใหญ่ของศาสนาเชนกับศาสนาพราหม์นะพวกนิกายพวกพราหมุกมันก็ยังไม่ถึงกับเป็นพรามหมนะหมายความมา น, นิทานไอ้นี่ไอ้ศาสนาผู้พี่ผู้ปรามันนับถือแต่มันมีลทัทธิทั้งหกอยู่แล้ที่ที่เด่นแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เนี่ยเกิดก่อนแล้วพุทธเจ้าอยู่หกปีก็จะเริ่เติบโตอยู่ที่เมืองพารณาณสีมีการพูดกันว่าพารณาณสีเป็นประการที่ใครตีไม่แตก แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปในที่นั้นก็ตีแตกกันนะคือในเคยไปพบที่อินเดียจะลืมลืมชื่อหนังสือแต่ละเขบาบอกยศสากุลระบุอต่ ท, ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเศรษฐีเราเป็นลูกของพระเจ้ากรุงพาลานศีเลยพระเจ้ากรุงพาลานศีเลยพาลศีอยู่ในแฟนกาศีกาศีกบโกศล น, นะฮะเรวจะเห็นว่า พุทธเจ้าก็เผยแผ่มาในแผลมโกศลก่อนกาศีโกศลโกศลนี่ไปไปที่หลังแล้วจากกาสีแล้วก็ไปที่อังคะอังคามรรคธานะฮะอังคามรรคธ า, าอังคากมาครดไปเข้าแผนมรครดก่อนไปกาศีแล้วก็ไปในแผนมรครดเพราะการที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาห น, นุ่มมาก ประชนพรรษาแค่สามสิ 6. บกบุกเดียวเข้าไปในประการใหญ่ในตรงนั้นแล้วก็ไปเทศบวชคนระดับนําทั้งนั้นเลยนะเราจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยดูประวัติแล้วน่าดูทั้งนั้นเลยกเรียกอิเซชนคือคนที่มีสถานะสูงทางสังคมของพาราณสีบรรดาคีนั้นก็เป็นนักบวชเป็นลัชชิลัชชิหนึ่ง ในละที่ภิกษุที่คนให้การกร็รบนับถือมากอายุวันนามก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแล้วก็พวกปยัสสะยาาัสส์นั้นไม่รู้ว่าแก่หรืออ่อนกว่าแต่แสดงอายุก็คงไม่ห่างกันเท่าไหร่กับพระพุทธเจ้าแต่ฐานะก็คืออย่างที่ว่านี่ยอย่างน้อยก็เป็นเศรษฐีแต่อย่าลือว่ามีปราสาทสามหลังยังชักสงสัยอยันนี้ มันมีปราสาทตั้งสามหลังเลยเป็นเศรษฐีนี่ทําไมมันรวยกันมากมายอย่างนั้นมีความจะเป็นอะไรจะต้องนปนเปือกันขนาดปราสาทสามหลังเป็นที่อยู่ในสามฤดูเหมือนกับเจ้าชายนะเหมือนกับเจ้าชายเลยอยู่กันแล้วก็สหายพิจารณอีกสี่คนมีมลราชบ่าวปุณณชีวบัมบติสหายอีกห้าสิบคนแล้วก็พัทวีพัทวะคีอีกสามสิบนะรวมแล้วก็เก้าสิบคน ที่ข้าบวชในข่าวนั้น่ะได้นักบวชมาจํานวนไม่น้อยแต่ว่าคาราวาดยังมีน้อยเป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าคาราวาดยังมีน้อยเพราะว่าจากหลักฐานที่ปรากฏนอกจากครอบครัวของยาศาของพาาระยศัสดิ์แล้วก็ยังไม่มีคนอื่นครอบครัวพยาศัสดิ์นั้นแกกี่คนเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่ชัดเจนเนี่ยก็คือพ่อของพยาศัสดิ์แม่ของพยาศัสดิแล้วอดีตรญากเก่าวของพยาศักดิ์ซึ่งน่าจะมีมากกว่านั้น เพียงแต่ว่าบาลีไม่ได้บอกไว้นะไม่ได้บอกไว้ก็ไม่ต้องไปไปแสดงความเข็นอะไรทีนี้การเสด็จไปโปรดปัญดวคีเนี่ยโดยหลักฐานความเป็นมาเนี่ยพระปันดวคีเนี่ยโดยเฉพาะท่านอนญากรอัญญาเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาไว้ในศัตสหมาพ ร, ระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมุตตระนะครับ ว่าขอให้ท่านได้เป็นปฐมสาวกของพระศาสดาพระพุทธเจ้าพงใดชพงนึ่ง ใ, ในอ น, นาคตแล้วก็บำเพ็ญบารมีมาเมื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะนั้นในส่วนตัวของของท่านแล้วก็ส่วนของบารมีธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้บารมีก็แก่กว่าแก่กล้าแก่กว่าเออแก่กล้า ก, กว่าท่านท่านพวกปูราณมันจะดินทั้ ง, ท, งทั้งได้เป็นอาบุญเพราะนั้นมันเป็นการ เขาเรียกว่าก็สอยเมื่อมันสุกอนะ่ะหมายความมาต้นเผลไม้ต้นไหนมันสุกก่อนก็สอยก่อนต้นไหนก็สุกทีหลังก็ก็ยสยอยทีหลังการเทศของพระพุทธเจ้า ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือดูคนแล้วก็ดูทำวางทำให้สอดร้องกับคนถ้าคนไม่พร้อมนี่มันจบไปนะจะทําอะไรก็ทําไม่ได้อ่ะ วันโบราณอาชิดินเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยอเมครับเคี่ยวกับปบราณอาชิดินนี่ก็ถือว่าเป็นการทํางานหนักที่สุดในการเผยแพร่ความกุศลธรย์ลําพังพระองค์เดียวนะเข้าไปในแดงของเสือสิงห์กระถิงนระแสติเดียวคนณะาจารย์เจ้าละชิมีบริวารทั้งหนะ้าร้อยสามร้อยสองร้อยนะฮะรวมแล้วก็พันเนีนะ่ยบริวารเนนะี่ยสามคณาจารย์เจ้าละชิ แต่พระพุทธเจ้าก็ไปจับที่หัวคือคุ้มกำลังใหญ่คือรูปเวลากัจะปะเหมือนกันมันเป็นเป็นเป็นวิธีการที่น่าศึกษาแล้วก็ที่เราเอามาพูดกันเนี่ยมาเองก็เข้าใจเหมือนกันว่าเรามาพูดรพระพุทธเจ้าไม่ไม่แสดง ท, ที่ปาฏิหารเนี่ยเราไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าประกอบด้วยปาฏิหารสามประการคือที่ปาฏิหารสแสดงฤทธิ์เป็นอัจฉรย์อาเทศนาปาฏิหาร ห่ายใจเป็นอัศจรรย์และอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยมีคําสอนที่อัศจรรย์เพราะอาาธิษฐานปฏิหารกับอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยแสดงตลอดเพราะต้องตรวจ ด, ดูสภาพจิตของคนวางธรรมะให้สอดคล้องกับภาวะจิตในขณะนั้น น, นมันก็แสดงปฏิหารอยู่แล้วอเทศนานปฏิหารเนี่ย ท, ทีนี้อิทธิปฏิหารเนี่ยตรงเนี้ยที่แสดงมากที่สุด สามพันห้าร้อยครั้งด้วยกันหมายความแสดงเจ็ดครั้งนะฮะเจ็ดห้าสามสิบห้าก็สามสิบห้าสมพันห้าร้อยครั้งด้วยกันเขาแสดงแก่คนห้าร้อยคนแล้วก็เป็นอิทธิปาฏิหารเป็นนาเทศสมาปาฏิหารไม่มีอนุสาสนีปาฏิหารเลยนะที่ไปกำหลาบปราบปรามพวกโบราณในชดินเนี่ยไม่มีอนุสาสนีปฏิหารเลยมีแต่อิทธิปาฏิหารกับ อาเทศนาปฏิหารเท่านั้นมันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าที่น่าศึกษาแต่เราเราไม่เอามาพูดกันเดี๋ยวบางทีเนี่ยมันล่าเลยปัญหาข้อเท็จจริงอะคือเรื่องหล่านี้พระเจ้าท่านทำได้เนี่ยเราทำไม่ได้ก็เราทำไม่ได้แต่พระเจ้าท่านทำได้แล้วตั้งก็ทำเป็นปกติบิสัยของท่านคืออาเทศนาปฏิหานี่ตัวดูใจคนนี่ตัวดูตลอด คนบางทีอยู่ใกล้ๆนยยังไม่ถึงคราวยังไม่ถึงเวลาเขาไม่เทศไม่สอนแม้แต่พระอานนท์เองพระอานนท์พระอนโนโรงค์ก็รู้ว่าต้องบรรลุมรรคผลหลังจากพระองค์ตรัตรัวเพราะนันมันมันไม่ไม่มีทางที่จะไปเร่งรัดอะไรได้ความแก่รอบของบารมีนั้นจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ ว่าถ้าบารมียังไม่แก่รอบแล้วทํำยังไงก็ก็ไม่ได้ใกล้ๆกับถึงคราวนะใกล้ๆก็ถึงคราวมันถึงคราวแล้วหรือยังท่านกล่าวว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงตํมบรูปเวลาแล้วก็โดยสมัยนั้นแหลชะชดินสามคนคือรูปเวลากาจปะหนึ่งนาทีกาสปะหนึ่งขยากาสปะหนึ่ง อาศัยอยู่ในตำบลรูเวลาชาดินสามคนนั้นชาดินชื่อเวลากัสจปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชาดินห้าร้อยชาดินชื่อนาทีกัจจปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชาดินสามร้อยชาดินชื่อขยากรัจปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชาดินสองร้อย ต้องบอกว่าสามคนเนี้ยเป็นพี่น้องกันตระกูลเดียวกันนะตระกูลกตาตปะเดียกันที่ชื่อลูกรวลากตาตปะเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่ตะบนรูเวลาชื่อนาทีกตาตปะนี่ยอยู่ที่คุ้งน้ําของแม่น้นําเนรัญชาดั้นแหละแล้วก็ขยากตาตปะก็อยู่ที่แม่น้นําเนรัญชราเหมือนกันเลยก็เรียกแม่น้ำขยานะไปเลยไปเนี่ยทําท้องถิ่นที่แม่น้ําไหลผ่านเรียกแม่น้ำขยาก็าอยู่ที่ขยาสีาสัด ริมฝั่งม่น้ำขยาก็พระพุมธเจาแก้วเลาเสด็จเข้าไปสู่อาสมของชะ ด, ดินชื่อรุเวลากจัจจป่าแดีจักกับเขาว่ากัจจป้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่งรุเวลากจัจจป่าก็กลับทูลว่า ข้าแต่มหาสมณะคือเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้จักว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าก็ไม่แสดงอะไรกับพระองค์ไม่ไม่ไม่แสดงพระองค์อะไรออกมาเขาก็เรียกมหาสมณะแต่แสดงว่าให้ความเคารพนะพราะถ้าเรานึกดูอายุแล้วเนี่ยอุรเวลกาสบะต้องแก่กว่าหลายปีทีเดียวเรา่าลืม่าตอนนั้นพระเจ้าแค่สามสิบกนั้น Shift, ววเวลากษัตรเป็นคณาจารย์เจ้าลัชทิแล้วนะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นบริวารตั้ง5้ารอยซึ่งก็ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็ตั้งอาสมมาเป็นพระจุนานก็แปลที่พระเจ้าขอพักที่โรงพชาบาไฟท่านก็บอกว่าข้าแต่มาสมณะข้าพระเจ้าไม่นับใจเลยแต่ในโรงบูาาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์มีอสรพิษ มีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลำบากแม่ครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็รักสั่งอย่างนั้นแกก็ตอบเหมือนเดิมนะฮะมาถึงครั้งที่สามก็ก็อตอบเหมือนเดิมเหมือนกันคือลัทธิของพวกเสด็จินเนี่ยมันไปคุมความดํารีนะฮะพูดง่ายว่าคุมความกําหนัด พุความกำหนัดในทางเพศเช่นสมมติว่าเกิดเหนียวนึกติดนึกด้วยความกำหนัดในทางเพศขึ้นมาเนี่ยจะลงโทษตัวเองในการผ่าฝืนแล้วก็ลงไปขนทรายขนทรายมากกงแล้วก็ลงไปอาบน้ําแล้วก็ตุก ด, ดิดไฟขึ้นมาแล้วก็ผิงผิ ง, งกยงงนะ็ย่างกิเลสย่างตนเองนะย่างกิเลสเพรผิงนั่นก็ร้อนนะฮะ ร้อนใจก็ตับกระชายเพราะงั้นมันก็กิเลสมันก็เกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆคือกิเลสเนี่ยไปคุมมันอย่างนั้นไม่ได้ไปสะกดจิตมันอย่างงั้นไม่ได้มันต้องใช้วิธีคล้ายๆกันน้ําในสระซึ่งมันขุ่นเนี่ยเราน้ําใสๆเข้าไปดังนั้นเราจึงพบ ว, ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกภาวนาเนี่ยคือกลุ่มของอาริมาร์ในองค์แปประการ สอนให้เจริญธรรมะแล้วนี้ถ้าเรามองดูถึงธรรมะทั้งหมดนี่เรียกว่าแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะแปสิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นธรรมะกลุ่มอริยมรรคต่อมาก็เป็นกลุ่มของสมุทัยนะฮะแล้วกลุ่มของทุกกลุ่มของนิโรดนี่จะน้อยฮนะกลุ่มมนิโรดมันเป็นผลเฉยๆกลุ่มมรรคเนี่ยเป็นเหตุเี่ยจะมากคดังนั้นก็เป็น หลักการในการปฏิบัติเมื่อเพิ่มมากขึ้นมาเนี่ยเหมือนเราก็เอาน้ำใสใสเข้าไปในสระที่มีน้ำขุนเนี่ยน้ำใสมันจะผลักมันจะดันมันจะสลายมันจะละลายความขุ่นข้นในสุดมันก็ตกตะกอนอยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนไม่ได้แล้วถ้าหากว่าเรามีปริมาณมากพอเนี่ยนะ บาปรกรรมเพียงประมาณนะครับคือไม่มากเท่าไหร่มันไม่ใช่สลายมันไม่ใช่ไปสลายหมดไม่ใช่ล้างบาปแต่ว่าจงแสดงว่าบาปกรรมพอประมาณเนี่ยจะสามารถไม่สามารถไปให้ผลได้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราบาเป็นเพียรจนถึงจิตเข้าสู่ระดับของรูปประพรมอรูปประพรมเนี่ย บาปกรรมต่างๆที่เราทำไว้จะเป็นอะไรก็ตามนะฮะพักไว้ก่อนคือไม่สามารถจะตามไปให้ผลในรูปประพบารูปประพบได้แต่เมื่อเราหมดบุญจากรูปประพบารูปประพบก็อาจจะต้องมาเจอกับเขาอีกอย่างแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่บังเกิดในรูปประพบารูปประพบนั้นจะไม่ถูกไม่ถูกไกยบาปกรรมเล็กๆน้อยๆแต่บาปกรรมพอประมาณเนี่ยไปเบียดเบียนได้โดยทรงยกตัวอย่าง เมตตาเจตุวิมุตคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของพยาบาทด้วยเมตตาเนี่ยมันจะทำหน้าที่สลายแล้วก็ปลักดันนะพิงแง่ว่าปลักดันให้กิเลสมันห่างไกลออกไปแล้วก็ไม่สามารถจะตามไปให้ผลได้ในระดับของรูปปักับ ร, รูปปัก็ต้องรอรอการให้ผลอยู่ วนแนวของพวกเชดินมันก็ย่างกิเลสกันอย่างเนี้ยจนผอมเพราะว่ากินมากก็ไม่ได้นะมันกระตุ้นราคาก็ท่านก็เป็นวัตจักรของท่านนะ่ะก็หมายความว่าเผาฟืน่าถุงไฟขนทรายอาบน้าถิงไฟแล้วก็กลับมาเผาฟืนต่อทํำลายไม้จะเยอะเลยนะทาตัดไม้ทําลายป่าจะเยอะเลย เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาไม่ได้พระพุทธเจ้าได้เคยประลบท่านอคิทัศ์แนวเดียวกันนะแนวเดียวกันท่านอคิทัตเนี่ยเนี่ยเดียวกันกับท่านอุรุลากะจปาเนี่ยบําเพ็ญบําเพ็ญมันเป็นพรศแนวนี้เหมือนกันก็ทรงแสดงว่าบุมเมสนังยันติปปัตานิปนานิจา่าเนี่ยคนเป็นมันมากเนี่ยมาถูกวานาไผ่คุกขามเข้ามาเนี่ย มาดิ้นโดนสวงหาที่พึ่งจอมปลวกบ้างต้นไม้บ้างโคนไม้บ้างลองฟางบ้างอะไรต่อะไรเนี่ยมายึดถือเป็นที่พึ่งแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษตไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้มันก็ไม่ใช่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะฮะยังไงเนี่ยท่านก็ดีกว่ากินเหล้าเมายาแหละ นะพวกที่บูชาไฟอย่างนี้ดีกว่าพวกที่มั่วสุมยอยู่ในอบา ย, ยามุกต่างๆนะอย่างไงท่านก็ดีกว่าแหละท่านก็เหนือกว่าแต่ว่ามันเป็นวัตถจกักรที่แก้ไขปัญหาไม่ได้กลายเป็นปัญหาซ้ําๆซักๆา่าตาะท่านก็ไปไองูมันก็มาอยู่แต่ท่านกองทรายเป็นภูเขาวไว้เนี่ยกองทรายไเยอะแต่งูท่านก็ถือเป็นเทพเจ้าบูชาบูช า, บชางูอีก งูก็มาอยู่กันใหญ่เพรานั้นท่านก็บอกว่าเมื่อพรเจ้ารับสั่งว่ากับสะปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาพเพิงสักคืนหนึ่งท่านก็บอกว่าก็าแต่มาสมณะพระเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ในโรงบูชาพเพิงนั้นมีพญานาคตู่ร้ายมีฤทธิ์มีเป็นอสรพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลย มันจะทําให้ท่านลําบากนะก็ครูพระพุทธเจ้าด้วยแต่ว่าในที่สุดพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่ารางทีพญาน่าจะไม่ทําให้เราลําบากดูก่อนกัตสปะเอาเถิดขอท่านจงอนุญาตโรงบยชาเพลิงท่านก็บอกว่าข้าแต่สมณะขอเชิญท่านอยู่ตามสบายครั้ก็ระพุทธมีพระพุเจ้ า, าเข้าไปสู่โรงพยาบาเพลิงแล้ว โกทรงปูญ่าเครื่องลาดประทับนั่งคู่บัรลังตั้งประดายตรงดงํารงพระสติมั่นนี่ก็เราจะเห็นว่าท่านอุลุเวลาการศึกก็ให้เข้าอยู่อย่างที่ที่มันเป็นอย่างไงก็ให้เข้าอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้จัดเสือสาดาวนะอะไรเข้าไปช่วยเลยนะเป็นเป็นเป็นการรับแขกที่ที่ก็ถือว่าแปลกอย่างหนึ่งแต่ว่าในในอัตตกถาเนี่ยท่านอธิบายถึง ตกเทียงกันอ่าไม่ใช่ตกเทียงกันนะคือปฏิรายกันแล้วก็บอกว่าเมื่อเมื่อแม่พักอนะไรจะให้เราพักที่ไหนอธรรมดาวัาสด์ทั้งหลายก็ไปสู่ขูงพวกของตัวเองวันสัมมนเนี่ยก็ต้องไปหาไปพักสัมมนาด้วยกันรูระกัสปะก็ถามว่าท่านเป็นสัมมนาหรือก็บอกเป็นสัมมนก็ไม่เห็นเครื่องบริขารอย่างที่พวกท่านมีอ่ะที่พวกท่านมีกันพวกเอ ปรงชดินก็มีกันนะพระพุทธเจ้าก็สั่งว่าเรานำไปในภายในตอนนั้นพุะเจ้าก็มีแต่บาทนะะบาทซึ่งถ้าจะรุมาราทั้งสี่ถวายถวายเมื่อประทับอยู่ที่ต้นเกตที่ราชายตนะเัแ่แสดงว่ามีแต่บาทแล้วก็ที่ประทับนั่งก็ใ้ใจย่านะฮะใ้ใจย่าเป็นเครื่องลาตอง แล้วว่ทับนั่งคู่บรรลังตั้งภระกายจงดํารงสติบั่นอยู่ครั้งนั้นพญานาคนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปดังนั้นขันแล้วมีความคลึงเครียดไม่พอใจจึงบางหวนความขึ้นลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดําริว่าชไนนหนอเราพึงครอบนําเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของตนไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกดังนี้ และทรงบันดาลอิทธาพิสังขารเช่นนั้นทรงบังหวนควันแล้วพญานาคนั้นทนความลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟใส่ในทันทีเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงข้าวกับสินสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์บันดาลไฟต้านทานไว้เมื่อทั้งสองฝ่ายเมื่อทั้งสองฝ่ายโพรงไฟขึ้นโรงบูชาเพลิงรุ่งโรจน์เป็นเปลวเพลิงดูดไฟลุกไหม้ทั่วไป แต่ไฟเหล่านี้ไม่ไหม้นะฮะเป็นไฟที่เกิดจากวิธิ์เฉยๆกว่าฤทธิ์เฉยๆใกล้ๆจะไหม้แต่บอกว่าหลุดไฟไหม้ลุกไหม้ทั่วไป อ, อจิงชะดินพวกนั้นพากันล้อมวงมูชาเพลิงแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเชาเรามาสมณะรูปงามคมปูกปญานาคเปียดเดียนแน่ถ้ามาพระผู้มีาภาคได้ทรงครอบนำเดชของปญานาคนั้นด้วยเดชของพระองค์ไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือเยื่อในกระดูกของ อ่าทรงขดพยานาคไว้ในบาทาโดยผ่านและชีนั่นและทรงแสดงแก่ช ด, ดินปุระในไออุรุเวลากัสปะด้วยพระพุทธธรรมว่ารุกรกาสปะนี่พยา น, นาคของท่านเราครอบนำเด็เข้ามานด้วยเด็กของเราแล้วเอจึงช ด, ดินอุรุเวลากาสปะได้ดำริว่าพระมหากัารณาธินี้มีฤทธมากมีอนุภาพมากแท้ สิงครอบนำเด็กของปญาหน้าที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายด้วยเด็กของตนได้แต่แต่หมายสำนานี้ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เราแน่ไอ้นี้คือคือประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่นี่ท่านท่านเป็นอย่างนี้ทุกทีหรือท่านสําคัญตัวเป็นพระอรหันต์แต่ท่านไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์มันคือเป็นยังไงก็ไม่รู้มันมีองค์ประกอบคุณสมบัติคุณลักษณะของความเป็นอรหันต์นี่เป็นยังไงท่านท่านไม่เข้าใจ นี้เป็นปาฏิหาริรกนะฮะเป็นปาฏิหาริเคนะคือพระเจ้าทรงแสดงและเราจะเห็นว่าใช้ฤทธิ์กันทุกที่เลยนะฮะใช้เตโชกศิลป์บางหวนควันกับปล้นไฟนะฮะบางหวนควันแต่ว่าไฟเหล่าเนี้ควันเหล่าเนี้ยมันไม่มันไม่ลุกไหม้มันไม่เป็นอันตรายเราเป็นโพวกที่เกิดขึ้นมาจากฤทธิ์เฉยๆก็แต่ก็เบียดเบียนพยาหน้าเพียงแต่ว่าจะไม่บาดเจ็บจะไม่ปวดจะไม่ปวดจะไม่แสบจะไม่อะไรต่าอะไรเนี่ย คือไม่มีพระประสงค์จะให้จะให้เกิดแต่อาการอย่างนั้นแต่ว่าต้องการกำราพญ า, านาคต้องการกำราพญานาพญานาคก็คืองูนะคืองูที่เป็นที่เคารพ บ, บูชาของพวกชาวดินทั้งหลายนี่ก็เป็นปฏิหาริย์ครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าไปไปพบกับพวกเหล่านี้และยังมีปาฏิหาริย์อีกหลายปฏิหาริย์ด้วยกันซึ่งซึ่งก็คงจะนํามาเล่าให้หมดนะครับ เพราะตามปกติแล้วในเรื่องเหล่านี้เราจะไม่ค่อยนํามาพูดกันอจนถึงกับบางครั้งบางค่าวเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สแสดงปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นี่เยอะนะฮะตัวนี้เพียกนา น, นาปาฏิหาริย์เลยสแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆเลยเจ็ดครั้งใหญ่ๆด้วยกันต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไวโดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี